คุณยายคุณยายเป็นไงบ้างคุณยายเป็นไงภาวนาเป็นไงดีบ้างดีบ้างแล้วจิตวันนี้เป็นไงจิตจิตวันนี้ไมดีจนเะแล้วเอเป็นไงบ้างยังไม่ค่อยตื่นเต็มที่ขนาดน้นาล่ะ <c oughs> ไม่เอาอ่ะ <c oughs> ล่าสงาเบอร์สิบเก้า โอ้อยังงี้เร็วครับเดียวนะส่งทั่วก็เลิกได้ละเหมือนส่งให้พี่วิ่งกลับอะเป็นไ ง, A T น <c oughs> นงของของแดงวันนี้รู้สึกว่าจะตามหายเยอะแยะเลยเจ้าค่อะไรนะมีความแบบความอยากเยอะไปหน่อยแบบเห็นจิตก็อยากเยอะไปหน่อยเจ้าค่ะแล้วก็บางทีก็ช่วงที่ดูจิตบางทีก็อยู่ดีๆก็บังดูอยู่เขาก็หายไปเลยก็บางทีก็เอ๊ะเกิด อ, อะไรขึ้น คือสติเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดไม่ได้บางครั้งสติก็เกิดบางครั้งสติก็ไม่เกิดเราไม่มีใครสั่งสติได้สติเป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าเรียนอภิธรรมมันจะรู้จักคำคำหนึ่งเ้าเรียกโมททพนจิตไม่มีจิตอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งสั่งการว่าต่อไปนี้จะเกิดกุศลหรืออกุศลต่อไปนี้จะหลงหรือจะมีสติเราเลือกไม่ได้หรอก รู้สึกไหมบังคับไม่ได้รู้สึกชัค่ะเพราะบางทีเกิดก็เกิดเองดับก็ดับเองบางทีเราก็ไม่รู้ตัวบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้านะสิ่งทั้งหลายน่ะเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับแต่เราบังคับไม่ได้เราจะรู้สึกเหมือนเกิดเองดับเองจริงมันมีเหตุที่ก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดับที่เราเราสั่งไม่ได้ ทำไมแดงรู้สึกว่าเวลาเราดูจิตบ่อยๆอยนี้บางทีมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีความสุขมากเหมือนสมัยก่อนคือไม่มีนะแต่ก่อนนี้พี่ว่าสุขมากเนี่ยเพราะมันหลงอตอนนี้มันไม่หลงนี่โลกนี้มันทุกข์นะโลกนี้มันไม่ใช่โลกสุขงัอนกานที่เราภาวนาแล้วเราเห็นว่าทุกข์ถ้ายิ่งเห็นทุกข์ล้วนๆ น, น, นะนั่นแหละดี ถ้าเรายัางเห็นว่าทุกบ้างสุขบ้างติดไม่ปล่อยวางที่ไม่ปล่อยวางเพราะยังมีทางเลือกเราก็จึงเลือกเลือกเอาสุขเลือกเอาดีพยาามดิ้นรนก็จะเลือกเอาของดีๆแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ความสุขพอสติสไปะระลึกปั๊บก็ดับไปละอะไรๆเกิด <Paw ending, S 1> <Liu. S 2> ขึ้นะระลึกปั๊บดับปั๊บปั๊บปั๊บไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับดับดับนะ ในสุดหลือแต่ดับวดรวดๆเลยอะไรไหวแวบเดียวยังไม่ทันจะรู้รสชาติมันเลยก็ดับนะถ้าอยากสุขนานก็ต้องทำสมาธิแต่ถ้าเราจเจริญสติอยู่ความสุขเกิดขึ้นปั๊บสติเราหรือก็ขาดแล้วเกิดดับให้ดูเราได้ปัญญาพะเราก็เลือกเอาสิเราอยากได้ความสุขหรือเราอยากได้ปัญญาอยากได้ความสุขก็จะติดอกติดใจเรื่อยๆไปอยากได้ปัญญาก็จะคนทุกข์ จิตแบบนี้บ่อยๆเจอบางทีก็รู้สึกเหมือนชีวิตนี้มันมีแต่สภาวะอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะถูกต้องแล้วชีวิตนี้ไม่มีคนมีแต่สภาวะอย่างเดียวถูกต้องละรู้สึกไหมชีวิตมีแต่สภาวะอย่างเดียวเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆบังคับก็ไม่ได้ก็ไม่มีสาระอะไรเลยเออไม่มีสาระอะไรเลยแนี<ม>่ ด, ดูไปเจอ เ, เห็นอย่างนี้นะเห็นเลยมันไร้สาระ มีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราอะไรถ้าดูจนใจมันยอมรับนะัมันจะรวมเข้ามาแล้วตัดสิ่งความร่วงได้โสดาบันได้อะไรเป็นลำดับลาดับไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าชีวิตจะแห้งแล้งตลอดนะ ใ, นใจเราเข้าไปสัมผัสกับธรรมะเราไปพบความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขของความไม่มีอะไรนัร่นแหละความสุขยิ่งใหญ่ พระเจ้าถึงบอกนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นบรรมสุขเขางอื่นไม่สุขหรอกโลกนะสุขแว บ, บเดียวเองสุขมันหลอกๆดูสิความสุขในโลกมีนิดเดียวแต่เราวิ่งหาแทบตายเลยรู้สึกไหมเราวิ่งวิ่งวิ่ ง, งนะตลอดชีวิตเราก็วิ่งหาความสุขเท่นั้นแหละแต่พอเรามีสติมีปัญญาเรารู้ว่าความสุขแว บ, บเดียวความสุขก็ไม่จริงจังอะไร ต่อไปมันเลิกวิ่งมันหมดตัณหารู้ความจริงแล้วหมดตัณหาไม่รู้จะอยากได้มาทําไมไมันเห็นมีสาระอะไรเลยว่างเปล่าดีแล้วอาทิตแดงภาวนาเห็นไปจะถามหลวงพ่อนิดหนึ่งครับคือคราวที่แล้วที่ประกราบหลวงพ่อครับคือนั่งฟังอยู่แล้วเหมือนกับว่ามันเห็นมันเห็นจิตมันวิ่งไปหาหนระือว่ามันมีความคิดแล้วจิตก็วิ่งไปหาแล้วก็กลับมาแล้ววิ่งไปหาความคิดใหม่อืมอันนี้มัน เขเรยกไแล้วมันก็จะมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งเ อ, อ่อถ้าจะว่าเป็นตัวรู้รู้จิตแล้วก็จิตมันต้มีเป็นบบของคิดอกเออนะมันก็มีคนคนหนึ่งดูอยู่มีตัวหนึ่งเป็นคนดูตัวหนึ่งก็เป็นผู้แสดงครับทีนี้พอมันพอมันเกิดอยังงี้ขึ้นมาแล้วอยากให้เกิดอีกมั้ยอยากให้เกิดอีกไหมอยากให้เกิดอีกครับน่าไปรู้ไปตรงนั้นอันกิเลสละมันก็เลยมันเลยไม่เกิดคิดไม่ดี ถ้ากิเลสมันเกิดแทนสติเกิดแทนตัญญาสะละโยบสองคนนี้มาจากไหนกันเคยมาไหมเหือเคยตึกมาแบบไหนเหลือไม่ได้เรื่องเลยเหรอเออนะเราไม่เออ เราไม่ได้ฝึกสติเพื่อทำใจให้ว่างหรอกเราฝึกสติเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยรู้สึกไ้ยจิตใจเราเคลื่อนไหวทั้งวันไม่หยุดนิ่งนะไม่ต้องไปฝึกให้ว่างเราฝึกให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยนรู้สึกไ้ยจิตใจเราทำงานทั้งวันทั้งคืนดูอย่างเนี้นะมันทางานของมันเองรู้สึกหมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มันทางานของมันเองคำว่าบังคับไม่ได้ก็เป็นธรรมะ การที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนก็เป็นธรรมะนะการที่มันเกิดเกิดดับดับมันก็แสดงไลรลักษณ์ให้เราดูไม่เที่ยงการที่มันเราเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นั่เรียกเห็นอนัตตาที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะได้เห็นความจริงของชีวิตการที่เราลงมือปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้นะ ถ้ารู้อย่างนี้ตาไปใจจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจถ้าปล่อยได้แล้วจะมีความสุขมีความสุขมากที่สุดเลยเราจะรู้เลยความสุขของโลกโลกนะเป็นความสุขหลอกหลอกเหมือนที่แดงเห็นนะความสุขของโลกมันไม่ได้มีอะไรจริงเหมือนภาพลวงตารู้สึกไหมแดงเหมือนภาพลวงตาแวบบเดียวเท่านั้นหลอกให้เราเหนื่อยแทบตายเลยตลอดชีวิตอ่ะอติส่งกันบ้านใจลอยไปอีกแล้ววันี่ รู้ไหมแอบคิดนะ่ะให้รู้ทันนะรู้ทันตัวเองอ่าติส่งแล้วครับชายส่งแล้วเหรอส่งว่าไงลืมไปนะก็ช่วงนี้ก็มีความทำตามรูปแบบอย่างตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิมก็รู้สึกว่าใจมันก็คือแต่ที่เคยเห็นในความสุขที่เคยเรียนลงพง่ตอนหลังก็เห็นว่ามันตส ว, วิง อืไม่ไม่ใช่ว่าแต่แบบสุขได้สักสิบนาทียี่สิบนาทีเหมือนเมื่อก่อน <S 2> <S 2> <S มันจะเป็นแบบพอไปรู้จริงจริงมันก็เอ๊ะมันก็จะแน่นๆขึ้นมาพอไปรู้แน่นๆก็อจะก็สบายลงมีความสุขขึ้นมานะคือพอโลภะเกิดเกิดการกระทํากรรมมันก็ทุกข์ขึ้นมาพอสติเกิดจิตเป็นกุศลมันก็มีความสุขขึ้นมานี่กุศลกับกุศลทํางานอยู่สองด้าน แท้จริงเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาขุขสนด้วยนะอย่างเราเราหลงทั้งวันหลงทั้งวันเนี่ยเราก็ฝึกให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่เพื่อจะให้รู้สึกตัวนะกระทั่งความรู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เอามันแต่การที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อเราจะได้รู้จักความหลงนั่นเองแล้วเราก็เห็นว่าความหลงก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงไม่เอาทั้งคู่นั่นแหละนี้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราจะมีแต่ความหลงอย่างเดียว ถ้าเรามีความหลงอยู่อย่างเดียวตลอดชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายหลงอย่างเดียวเราจะไม่รู้จักความหลงเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วในโลกนี้พวกเรารู้สึกไหมพวกเราทุกคนรู้สึกตัวแต่หลงพ่อจะบอกให้ว่าถ้าภาวนาปเป็นจะรู้เลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกน้อยที่สุดเลยโลกถึงขาดแคลนกับตาอียะเพราะว่าไม่มีคนจเจริญสติ คนทั้งโลกหลงตลอดเวลาหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นไม่รู้จักว่าความหลงเป็นยังไงเปรียบเทียบนะคล้ายๆคนในห้องนี้ทั้งห้องรวมทั้งหลวงพ่อด้วยทุกคนชั่วเท่ากันหมดเชื่อไหมในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วและทุกคนชั่วเท่ากันหมดแล้วมันก็ดีเท่ากันหมดเลเพราะงั้นเราจะไม่รู้จักว่าชั่วเป็นยังไง ไปเกิดโยมเบอร์29เรือสีฟ้านี่เกิดดีขึ้นมาสักคนนะทุกคนที่เหลือรวมทั้งหลวงพ่อด้วยจะชั่วหมดเลยตอนนี้นี่มันเกิดเราเห็นสภาวะที่ไม่คงที่ได้เพราะเราเห็นสภาวะที่เป็นคู่มีคนดีขึ้นมาคนหนึ่งคนที่เหลือเลยชั่วให้ดูการที่เราต้องมีสติขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าความหลงมันเป็นยังไงแต่เดิมหลงตลอดไม่รู้ว่าหลงหรอก แต่พอมีสติขึ้นมาแวบเดียวจะใจหายเลยแดงรู้สึกแม้ใจหายเลยที่ผ่านมาหลงตลอดเลยไม่มีคนรู้สึกตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวแล้วถามว่าพอรู้สึกตัวเป็นแล้ว เ, เอาอะไรจะเอาความรู้สึกตัวต่อเนื่องหรือเปล่าเปล่านะเราต้องการเรียนเอาความจริงไม่ได้เรียนเอาความรู้สึกตัวศานะ ส, สนาพุทธนั่นแหละคือตัวความจริงหรือตัวสมาทิฐิหรือตัวปัญญานั่นเอง พระเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยความจริงด้วยการเห็นความจริงไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยสุขไม่ใช่ด้วยกุศลอะไรหรอกด้วยตัวปัญญาเงั้นพอเราหัดฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งใจของเราตื่นที่มารู้สึกตัวขึ้นได้ทีละแวบเราก็จะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปล้นะตอนนี้รู้สึกเนี่ยพอรู้สึกตัวได้แวบเดียวความรู้สึกตัวก็ดับอาจจะเผลอครั้งใหม่ หืออาจจะรู้สึกตัวครั้งใหม่ก็ได้เลือกก็ไม่ได้ด้วยใ น, นที่สุดปัญญามันจะเกิดพอ เ, เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ํำอีกปัญญามันเกิดจิตจะเผลอห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกตัวไม่ได้อย่างที่แดงพูดแตะกีร้รู้สึกไหมมันเป็นเองมันทําไม่ได้จิตจะเผลอห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เห็ bem, นไหมกุศลและอกุศลเ น, นื่อล้นแต่ของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ กุศลและอกุศลล้วนแต่เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเนี่ยพอใจแจ้งอย่างนี้ใจจะปล่อยวางความยึดถือทั้งกุศลและอกุศลแล้วมนจะเห็นสภาวะที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายเนี่ยมีแต่เกิดกระดับเกิดกระดับนะเช่นสุขกระทุกนะดีกระชั่วหยาบกระละเอียดภายในกับภายนอกเนะี่ยมืดกับสว่างอะไรเนี่ยสารพัดที่เป็นคู่คู่ล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลย เพราะฉะนั้นการที่เราแค่รู้สึกตัวแล้ก็เผลอ ER, รู้สึกตัวแล้วก็เผลอ ER. ฝึกอยูอย่งนี้มากๆเท่านี้ก็พอแล้วนะความจริงแล้วกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งไม่ได้ต้องการมากมายอะไรเลยถ้าเราเห็นว่าจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเราจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับถ้ารู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเราก็จะรู้ต่อไปอีกว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้น จะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดแล้วจะ ด, ดับทั้งสิ้เลยความสุขเกิดแล้วก็ดับแดงเห็นแล้วใช่ไหมความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความเฉยๆเกิดแล้วก็ดับกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับทุกตัวทุกตัวในที่สุดปัญญาแจ้งขงตรงนี้เองทุกสิ่งเกิดแล้วดับนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันนะพวกเราต้องการเป็นพระโสดาบันต้องรู้ว่าพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ ละความเขียนผิดว่ากายกใจเป็นตัวเราได้เพราะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นไม่มีตัวตนที่ถาวรทั้งกายทั้งใจมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนถาวรรู้แจ้งอย่างนี้นะได้เป็นพระโสดาบันนี่พวกเราส่วนมากปฏิบัติธรรมก็อยากได้มรรคผลนิพพานบางคนขอนิพพานในชาตินี้นะมาไหวหลวงพ่อมาไหวพระพุทธรูปขอนิพพานในชาตินี้นิพพานไม่ไมเหนอกกับขอทานนะ นิพพานไม่ใช่เรื่องของคนขอทานนะนิพพานต้องทำเอาเองนะต้องฝึกฝนเอาเองพวกที่ขอเนะี่ยพวกชูชกเห็นไหมพวกขยันให้เนี่ยพวกพระเวสสันดรมาสัมบูรณ์แล้วขอโน่นก่อนนี่นี่ลูกหลานชูชกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายแรกต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นเรา หน้าที่ของเราเราก็รู้แล้วต่อไปนี้เราคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรานะนี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องรู้กายรู้ใจจะไปรู้ของอื่นไม่ได้นะจะไปรู้มหาสุญญตาอะไรไม่ได้นะบางคนอยู่ๆก็จะไปรู้ความว่างอยู่ๆไปรู้จงใจรู้ความว่างนะั้นมันจะไปทําอรูปฌานแทนไปเพ่งความว่างเพ่งช่องว่างนะได้อรูปฌานไม่เกี่ยวอะไรกับมรรค น, นิพพานเลยมีแต่เนิ่นช้า เก่งช่องว่างเก่งๆไปเป็นอรูปพรหมเวลาพระสีอานมัสัตยสรุท่านเกิดนึกถึงเรานะท่านจะอุทานบอกชิบหายแล้วท่านจะอุทานว่าชิบหายแล้วนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเราอ่ะตอนสัตย์สรุแล้วท่านคิดว่าจะสอนใครก่อนท่านคิดถึงอารารดาบทกับอุทกดาบทสองคนนี้ทำอรูปประชานเก่งจิตใจละเอียดประณีตแล้วท่านรู้ว่าผู้นี้ตายไปเกิดเป็นพรนะพรหมแล้ว ในรูปประพรมท่านอุทานว่าชิบหายล้เสียประโยชน์อย่างใหญ่แล้งั้นอย่าไปเพ่งใส่ช่องว่างนะอย่าเพ่งใส่ความว่างให้รู้กายให้รู้ใจอย่ารู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านทดลองมาเสียสงไขยแสนมหากัรพละถึงได้สรุปออกมาว่าต้องทําสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางเดียวเท่านั้นเรียกว่าเอกายนมัตตคือการมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรม กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอย่อลงมาก็คือกายกับใจนี่แหละรูปกระนามมีสองอย่างเท่านี้เองรูปประธรรมกระนามมาธรรมเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะเราคิดว่ารูปประธรรมนา ม, มาธรรมนี้คือตัวเราเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่เรารู้ไม่ใช่ตัวเรารบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับหาสารหาแก่นสารอะไรไม่ได้รู้ความจริงอย่างนี้นะเป็นพโสดบันเป็นพโสดบันแล้วก็ดูต่อไปอีกดูกายดูใจดูรูปดูนามต่อไปนี่แหละปัญญาไม่ค่อยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้น เบื้องต้นเป็นทศดับันบอกมีศีลบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์เพราะอะรเราสตีดีกิเลสไหลเข้ามาในใจแว บ, บอย่างคนเขาดา่านี่กิเลสโทสะแวบเข้ามาในใจเห็นละโทสะครับงาใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขาเห็นไหศีลมันเกิดเองเพราะศีลท่านบริบูรณ์เพราะสติของท่านดีแต่สติยังไม่บริบูรณ์นะแค่ว่ากิเลสแรงๆมันเกิดแล้วมองเห็นพันก็เลยไม่เป็นประมือศีลห้า นั้นมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยหมายถึงว่าใจไม่ตั้งมั่นขนาดทศดาบันยังใจไม่ตั้งมั่นเลยสมาธิเล็กน้อยใจนี่จะฉลาดซ้ายฉลาดขวาทั้งวันนะเหมือนปุถุชนนี่แหละสังเกตไหมใจพวกเราฉลาดไปฉลาดมาหนีไปนี้มาตลอดเวลาแชปแวปแวบแวบปบแบบแบบเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวนี้ไปคิดหน่อยใจไม่ตั้งมั่นทศดาบันมีปัญญาเล็กน้อย รู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวเราไม่มีมแค่นี้เองแนะต่อมาภาวนามากเข้ามากเข้านะจิตตัดครั้งที่ 2, สองศีลเนบบริบูรณ์อยู่แล้วสมาธิมากขึ้นเรียกว่าสมาธิปันกลางนะหมายถึงใจไม่ค่อยฉลาดและฉลาดก็ไม่นานนะปัญญาก็ยังเล็กน้อยก็รู้ว่าอะไรเกิดอันนั้นดับอยู่แค่นั้นเองนะปัญญาเล็กน้อยงั้นพระเสกคาคาเนี่ยท่านบอกว่ากิเลสเบาบางที่กิเลสเบาบางเพราะสติท่านเร็วขึ้น อะไรไหวแวบขึ้นมามองเห็นแล้วก็ขาดสะบั้นลงไปตรงนั้นเลยกิเลสจะสั้นมากเลยกิเลสเล็กน้อยกิเลสหยาบหยาบไม่มีนะเพราะกิเลสก่อนจะหยาบได้มันก็เป็นกิเลสละเอียดซะก่อนสติเห็นตั้งแต่ละเอียดมันก็ไม่หยาบนะนี่พานาต่อไปเรื่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรืยมันเริ่มมีปัญญาขึ้นมาอีกมันเห็นว่าถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดเนี่ยจิตจะทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดไม่ทุกข์นะ เราคิดว่าเราเข้าใจอริยสัจแล้วเพรามีสมูทัยเลยเกิดทุกข์เข้าใจอย่างนี้นนี้พอรู้ว่าถ้าจิตอยากจิตยิ้จิตจะทุกข์จิตเลยตั้งมั่นเด่นดวงไม่ไหลไปและไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่หลงไปคิดอะไรที่เละเทะเพลิดเพลินนั้นรวมความก็คือใจมันไม่ไหลาตามกิเลสไปไม่ไหลไปตามกลามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสประสาทผ้าอะไรในี่ใจของเราจะวิ่งไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสประสาทผ้าธรรมารมณ์ทั้งวันนะ ใจของผู้มีปัญญารู้ว่าถ้ามันไหลไปมันส่งออกนอกไปแล้วมันจะทุกข์เพราะงั้นใจของพระอนาคาเนี่ยมีสมาธิบริบูรณ์และใจไม่ไหลไปไหนล้วใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ยนั้นเองทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษาด้วยใจแต่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถัดมาเราก็ฝึกของเราต่อไปอีกดูตามรู้ตามดูตรงนี้มันจะบี บ, บวงเข้ามาอยู่ที่จิตละ ก็ากายนี่เราวางลงไปแล้วเราเห็นนะไม่มีสาระแก่นสารสติปัญญาจะบีบตัวลงมาเรียนอยู่ที่จิตนนี้ถ้าบางคนเห็นว่าเออเราอยู่กับจิตตรงนี้จิตลราผ่องใสสบายละมีที่พึ่งที่อาศัยล้วก็นิ่งนอนใจไม่พัฒนาต่อไปหลวงู่ดูลย์ทเคยบอกหลวงพ่อว่าส่วนใหญ่นักปฏิบัติที่เก่งๆอ่ะมาตายลงตรงนี้แทบทั้งหมดมาตายลงตรงที่เป็นผีใหญ่ท่าเรียกผีใหญ่ที่จะไปอยู่กลมมโลก เป็นผ้านาคาไปปรมโลกผ้านาคาไม่จําเป็นต้องอยู่สุดถาวารนะสุดถาวารเนี่ยเฉพาะผ้นนานาคาที่ได้ฌานสี่แล้วก็ชำนิชำนาญมีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าเนราะฉะนจะเกิดในปรมต่างๆได้ตั้งแต่ปรมปาริสัชชาปรมชั้นที่หนึ่งขึ้นไปเลยส่วนมากก็จะนอ น, น, อนใจเพราะาเรามีจิตผู้รู้เป็นที่พึ่งที่อาศัยมีความสุขอยู่ตรงนี้แล้วสุขทั้งวันเลยนะ นี่ถ้าคนใดเคยได้ยินครูบาจารย์สอนมาหรือศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างรัดกุมก็จะรู้ว่าเรายัางยึดถือเรายัางเกาะเกี่ยวตัวจิตผู้รู้นี้ไว้เรายัางเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่นี่ถ้าสติปัญญามันแก่รอบจริงๆมันก็จะเริ่มเห็นความจริงของตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้นี้ไม่เที่ยงหรอกอย่านึกว่าเที่ยงนะหลวงปู่ล่าปูเจ้าก็ อ, อย่างสอนเลยถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่มชาติทิฏฐิเพราะจริงๆจิตผู้รู้ซึ่งแสนจะวิเศษแล้วก็ไม่เที่ยงผ่องใส่ได้ก็มองได้มองได้ก็ผ่องใสได้อีกบางท่านซึ่งเป็นพวกศรัทธามากๆนะเห็นเท่านี้จิตยอมตัดละบางคนที่สมาธิกล้าเนี่ยเห็นมันหมองๆหร อ, ม, อมันไม่ค่อยหมองหรอกเพราะสมาธิเยอะเหมืนั้นจะเฝ้ารู้เฝ้ารู้ไปวันหนึ่งธรรมะ ม, มันแสดงตัวให้ดู จิตที่มีความสุขที่มีความผ่องใสพระพัฒสอนมีความสุขอย่างมหาศาลฉับพลันมันกลายเป็นทุกข์อย่างมหาศาลให้ดูทุกข์แบบไม่มีอะไรจะเหมือนเลยนะทุกข์สุดๆเลยทุกข์แบบเหมือนจะตายเลยนะตรงนี้ต้องยอมตายเฝ้ารู้เฝ้าดูช่า ง, งมันเถอะะไม่มีทางต่อสู้ดิดโรนอีกต่อไปแล้วความทุกข์บีบพันสุด ข, ขีดเลยนะจิตเนี่ย ในสุดมันจะสลัดจิตออกไปมันคืนจิตให้ธรรมชาติรู้รูแล้วว่าไม่ใช่ตัวดีแต่เดิมคิดว่าจิตเป็นตัวดีนะตัวสุขพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมามันเห็นเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรเสมอเหมือนทําไมธรรมะต้องช่วยเราในการให้เห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะว่าพวกที่ส่งสมาธิกล้าเนี่ยมันติดอยู่ในความสุขของจิตตัวนี้ถ้าไม่เห็นทุกข์สุดจิตนะไม่ยอมปล่อยวาง นั้นธรรมะช่วยเหลือเรานะพระธรรมช่วยเหลือเราแสดงทุกข์ให้ดู ท, ทุกข์สุดขีดแล้วถึงยอมวางอีกพวกหนึ่งปัญญาแก่กล้าท่านอ ย, อยู่ท่านก็เห็นเลยจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะไม่มีอะไรเลยไร้สาระท่านเห็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเห็นความว่างเปล่าจากคุณค่าทั้งปวงมันแต่เดิมคิดว่ามีคุณค่าอยู่อยู่ก็เห็นมันไร้คุณค่าแล้ววาง พวกแรกที่ไปด้วยศรัทธาแล้วก็เห็นอนิจจังเนี่ยเรียกว่าบรรลุด้วยอนิมิตะวิโมกพวกที่ทรงสมาธิกล้าบรรลุด้วยการเห็นทุกข์เขาเรียกว่าอัปปนิหิตะวิโมกข์ส่วนพวกปัญญากล้านะั้นเห็นอนัตตาเนียกสุญญตะวิโมกตรงวิโมกนี้เราเลือกไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็แค่จเจริญสติไป แก่รอดขึ้นมาแล้วจิตใจมันจะพลิกแปลงไปเองแล้วแต่ว่ามันจะเข้าช่องไหนจะเห็นอะไรแล้วยอมยอบปล่อยอยอมวางอันนี้ไม่ใช่เราเลือกและวงั้นหน้าที่จเจริญสติรู้กายรู้ใจลูกเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยพอมันวางจิตลงไปแล้วปล่อยวางจิตแล้วทำแท้ๆถึงจะปรากฏขึ้นมาตอนหน้าต่อตานะนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนนิพพานไม่เกิดขึ้นนิพพานไม่ได้ดับไปนิพพานมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็น นิพพานเป็นสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งจิตซึ่งไม่มีคุณภาพไม่สามารถเห็นได้จิตที่ไม่มีคุณภาพคือจิตที่ยังหลงปรุงแต่งอยู่นั่นเองจิตที่หลงปรุงแต่งมันก็เห็นธรรมะได้เฉพาะธรรมะฝ่ายปรุงแต่งจิตที่พ้นความปรุงแต่งด้วยปัญญาแก่รอบจริงๆนะหมดตันหาหมดความดิ้นรนจริงๆพล้วเห็นทุกข์เข็มแจ้จริงๆหมดปรุงแต่งถึงจะเห็นนิพพานที่ไม่ปรุงแต่ง เขาก็ไม่เห็นนิดนหน่อยหน่อนะเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นเลยใจมันจะรู้ว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้ภุลาที่จะต้องทําอีกไม่มีแล้วทั้งวันทั้งคืนมันจะมีแต่ความสุขอยู่อย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนนะแต่ใจจะไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรใจมันใหญ่นะใจมันใหญ่ใจมันกว้างไร้ขอบไร้เขตแต่เดิมใจของเราแคบแคบเหมือนอยู่ในแคปซูลอติดูออกไหมแต่ยังอยู่ติดอยู่ในแคปซูล ครูบาจารทางอีสานท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันติดอยู่ในไหกระเทียมท่านคนทางอีสานนะท่านไหายประแดกเท่านไม่ใช่หกระเทียมท่านติดอยู่ในไหประแดกของเราชาวเมืองเรารู้สึกมันติดอยู่ในแคปซูลบางคนเวลาหัวสูกไว้ในหมวกกันน็อกมันเป็นความรู้สึกทางใจที่รู้สึกเ่ยมันไม่มีสระนั่นแหละเนี่อจิต จ, จะหลุดพ้นจากสิ่งห่อหุมนี้ได้นะเพราะไม่ยึดถือในรูปนาม ถ้าใจผีดกท่านสอนชัดๆเลยจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดถือในรูปนามจินไม่ยึดถือได้เพราะว่ารู้ความจริงของมันหรือรู้ทุกนั่นเองรู้ว่ารูปนามเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีแล้วก็วางไม่ยึดถือความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยนี่คือใจความทั้งหมดแหละแต่สิ่งที่พวกเราเคยเล่าเรียนมาส่วนมากมันไม่ใช่ใจความมันนี้ใจความแห่งอริยสัจเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศแทบทุกวันเลยนะ โดยเฉพาะสามเดือนก่อนป ร, รินิพพานเนี่ยพระนนท่านเล่าไว้นะในพระสูตรตอนจะป ร, ะรินิพพานเนี่ยบอกว่าพระศาสดาในสามเดือนสุดท้ายนั้นเทศแต่เรื่องอริยศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ยกเว้นแต่คนมาถามอย่างอื่นที่ฉี่กออกไปไม่งั้นจะเทศแต่อริยศาสตร์เพราะนี้ทําที่สําคัญที่สุดแล้วงั้นถ้าแจ้งอริยศาสตร์ก็พ้นทุกข์ละที่พวกเราไม่เคยได้ฟังอริยศัสตร์ถึงฟังเราก็ตีความให้มันต่ํากว่าความเป็นจริง ฉันว่าทุกให้รู้สมูทัยให้ละเราอยากละทุกไม่ยอมรู้ทุกนะต่อยากละทุกเนี่ยกระโวกระพังตลอดเลยธรรมะของเรานะมันเลยไม่บรรลุมรคนิพพานสตีทำมาตั้งนานหลายปีนะมันไม่บรรลุง่ายๆบางคนนะผ่านญาณตั้งร้อยหกสิบแลวนี่นี่ผ่านญาณร้อยหกสิบคือสิบรอบแล้วมันไม่ตัดอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ญาณตัวจริง ถัายานตัวจริงมันขาดเลยขาดแล้วขาดเลยไม่ขึ้นมาอีกละอีเลนดับแล้วดับเลยถ้าดับแล้วดับอีกอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ของจริงเบอร์ยี่สิบใจลอยไปแล้วเวลาคือรู้ว่าตัวเองเผลอพอหลังจากเผลอแล้วลุกจากโซ่เผลอพอหลังจากลุกโซเผลอก็รู้สึกว่าตัวเองเพงเออเป็นอย่างนั้นทุกคนทำไม่ได้ คำว่าทำไม่ได้นี้นะเป็นธรรมะนะบางคนนึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นเราเรียนจนเห็นว่าเราทําไม่ได้ท่างหากล่ะเราถึงจะยอมปล่อยถ้าเรารู้สึกว่าเราทําได้นะเราจะไม่ปล่อย่ะเราจะรู้สึกเราเข้าไปจัดการได้กูเก่งกูเก่งอยู่ยงั้นแหละสังเกตไหมพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอมันจะกลับมาเพ่งเพ <นะ S 2> ราะอะไรมันก็มีเหตุ น, นะที่มันเผลอไปก็เพราะมันเคยเผลอมันคุ้นเคยที่จะเผลอทําไมมันเพ่งก็เพรามันคุ้นเคยที่จะเพ่งอะสิ เราฝึกเพ่งมานานพอเรากลัวเผลอเราก็เพ่งปึกนะก๊ก้าแห้เราก็รู้สึกว่ารู้ตัวได้นานๆแล้วเราเข้าใจผิดเวลาเพ่งแล้วใจเราเกิดไม่ชอบนะให้รู้ว่าไม่ชอบรู้ตรงนี้รู้ที่ใจเรานะในสุดใจเราเป็นกลางเหลอไปใจเราเคยเกลียดนะเราก็ไม่เกลียดมันเพ่งไว้ใจเราเคยชอบเราก็ไม่ได้ชอบมันเป็นกลาง เงินรู้สภาวะทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางนะให้ฝึกตรงนี้ไปถ้ามันไม่ได้นะเพราะใจมันเคยเพ่งนักปฏิบัติร้อยละร้อยแหละคือนักเพ่งพอเผลอไปแวะไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเผลอเนี่ยจะกลับมาเพ่งทันทีเลยหลายคนก็กลับมาเพ่งลมหายใจบางคนมาเพ่งท้องแล้วแต่ว่าสนาดจะเพ่งอะไรถามว่าเราดีหรือไม่ดีไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีในการทำํำนิพพสนา เราก็ตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจิตมันจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตมันจะเพ่งไปห้ามมันไม่ได้สั่งให้เลิกเพ่งก็ไม่เลิกนะทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเราจะเห็นสภาวะทำสามแบบสภาวะแห่งความเผลอไปคือตามกิเลสไปเรียว่ากวามสุขผลึกการนโยคสภาวะแห่งการเพ่งบังคับตัวเองเรียกอัตตา ก, ายกิยามัทธานิยคสภาวะแห่งการรู้สภาวะแห่งการรู้มีแว บ, บเดียวตรงที่เผลอเลอเผลอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่อักุสนชั่วโมงหนึ่งแล้ว เกิดะระลึกได้ว่าเผลอแวบหนึ่งจะรู้สึกตัวขึ้นมาแวบเดียวนะนิดเดียวไม่นานขึ้นมาด้วยคณิกะสมาธิเองทรงอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับดับแล้วเนี่ยเกิดสติใหม่ก็ได้เกิดจิตทีกุศลใหม่ก็ได้หรือเกิดอกุศลก็ได้หรือเกิดการเพ่งก็ได้เราเลือกไม่ได้บางครั้งพอเผลอๆไปพอรู้สึกตัวปุ๊บพอรู้ตัวปุ๊บเผลอต่อเลยคือไปคิดต่อเลยแหมเมื่อกี้เผลอมาตั้งนานา่าจะแย่แล้วลืมไปว่ากําลังเผลอครั้งใหม่ละ เนะมื่อแต่พ่ําควรวนถึงอดีตไปแย่แล้วแย่แล้ ว, ลวเผลอมาชั่วโมงหนึ่งละนะนี่เผลอไปเรียบร้อยละนะอีกกล้องหนึ่งพอเผลอไปนี่อกุศลพอรู้ว่าเผลอนี่เป็นกุศลอุ้ยทำไงจะไม่ให้เผลออีกเพ่งเลยคราวนี้จะเพ่งเพราะอะไรพเพราะกลัวเผลอนั่นแหละก็เลยไปเพ่งไว้แต่ถ้าเราคอยดูไปนะดูที่ใจเรา เ, เรื่อยๆเผลอเราก็เป็นกลางเพ่งเาเราก็เป็นกลางนะรู้ไป ก็จะเห็นอะไรเผลอก็ไม่เที่ยงเพ่งก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเห็นไหมสภาวะทั้งสามอย่างไม่เที่ยงพวกนักปฏิบัติจะมีสภาวะสามอย่างคนไม่มีไม่ได้ปฏิบัติจะมีสองอย่างคือคนปฏิบัติเนี้ยมีแต่เผลอกับรู้พวกที่ไม่เคยฝึกอ่ะมีแต่เผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ส่วนพวกที่เคยเข้าคอร์สเข้าวัดมากๆนะจะมีสามอย่างพอเผลอไปแล้วรู้แล้วก็เพ่งเผลอแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งนะ เพราะ้นพวที่เข้าวัดปฏิบัติมากๆเข้าคอรสบ่อยๆเนี่แหละแก้ยากเพราะต้องเรียนสิ่งที่ผิดทั้งสองอย่างเนี่ยพวกที่ไม่เคยฝึกจะเรียนง่ายเพราะเคยผิดอย่างเดียวคือเผลอลูกเดียวถ้ารู้จักเผลอลูกเดียวนี้นะภาวนาง่ายเลยเผลอลูกเดียวก็คือเดี๋ยวก็เผลอไปทางตาเนี่ยเผลอมีหกแบบนะเผลอมีหกช่องเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเผลอไปทางตาคือเผลอไปดูเขาขนาดที่ไปดูเขาลืมตัวเอง เผลอไปฟังแล้วก็ลืมตัวเองเผลอไปคิดนี่เผลอทางใจเผลอไปคิดแล้วลืมตัวเองสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดอ่ะเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยนึงเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดรู้สึกไหมจิตมันสลับกันตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าเราฟังลูกเดียวเนี่ยเรียกว่าเราไม่ได้เห็นของจริงเลยแต่ถ้าต่อไปนี้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วสังเกตออกว่าอ้อมองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งฟังหลวงพ่อนิดหนึ่งนะ แล้วก็แอบไปคิดฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดสลับไปเรื่อยๆถามว่ารู้เรื่องตอนไหนรู้เรื่องตอนคิดต่างหากอ่ะไม่ใช่รู้เรื่องตอนฟังนะถ้าฟังแล้วไม่คิดก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เรื่องที่ฟังแล้วก็ไปคิดเอาเองมันความคิดของเราเองนะไม่ใช่ธรรมะของจริงหรอกเห็นไหมเพราะงั้นธรรมะที่มาจากการฟังนะรู้เรื่องเพราะการคิดเอาเองส่วนธรรมะจากการภาวนาเนี่ยเข้าไปรู้เขเข้าไปเห็นของจริงแล้วก็เลยรู้ความจริงของกายของใจ ทำตัวเป็นผู้สังเกตการดูกายดูใจเรียกร้องอีกแล้วนะอดทนไหมนะยากมันยากเฉพาะฟังครั้งแรกๆหรอกนะอดทนไว้โดยจะพาพวกที่เข้าวัดมากๆเข้าคอร์สมากๆต้องทนให้หนักหน่อยนะพร้อมต้องแก้ถึงสองอย่างต้องจัดการสิ่งที่ผิดถึงสองด้านแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยฝึกแนละ้วมันจะไวกว่านะคนที่ไม่เคยฝึกเนี้เขาผิดอย่างเดียวคือเผลอ แต่พอเขารู้จักเผลอนะเขาจะกลับมาเพ่งเหมือนพวกที่เข้าวัดนั่นแหละพอเผลอไปแป๊บหุ้ยเผลออีกละเพ่งเลยคราวนี้เสร็จแล้วต้องมาเรียนรู้ความผิดอีกด้านหนึ่งละสิ่งที่ผิดสองด้านอย่าไปหาสิ่งที่ถูกนะอย่าไปคิดว่าทํายังไงจะรู้ได้ถูกทําไงจิตจะตื่นไม่ต้องหาตรงที่ถูกเมื่อไร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองเรียนรู้สิ่งที่ผิดนะแล้วพอมันไม่ผิดมันจะถูกเองนี่เป็นคนวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์ ท่านสอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรเทศนาการแรกเลยท่านสอนสิ่งที่ผิดสองอย่างก่อนสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสกคือผู้ปฏิบัติไม่ควรทำอันหนึง่งการสุขาริการุโยกตามใจกิเลสหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอันที่สองอตตากิมัฏฐานุโยกเพ่งกายเพ่งใจนั่นแหละบังคับกายบังคับใจนั่นแหละถ้าเมื่อไรเราเผลอไปเรารู้ว่าเผลอขนานั้นรู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อไรเพ่งแล้วเกิดรู้ทันว่าเพ่งมันมักจะติดเพ่งนานไม่ค่อยหายอันนี้เพราะเพ่งมันไม่ใช่อคูศนนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุสนเ้าสติเกิดไม่จําเป็นต้องหายแต่ถ้าสติเกิดเราก็ยังเพ่งเพ่งเพ่งต่อไปมันได้แต่สมถะมันเป็นสมถะมันไม่ใช่อกูสลเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องดับมันจะไม่เหมือนเผลอนะเผลอเป็นอกูศลทันทีที่รู้ว่าเผลอดับทันทีถ้าสติเกิดอคูสนต้องดับไม่มีทางเลือกอย่างอื่น งั้นเราปฏิบัติต้องระมัดระวังนะหลวงพ่อมีข้อสังเกตฝากไว้พวกที่ชอบปฏิบัติเนะ่ะหลวงพ่อพบว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปหลงสร้างอากุศลขึ้นมาแล้วคิดว่าทํากุศลอยู่กลุ่มหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งอ่ะไปหลงทําสมถะแล้วนึกว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจิตเปนอกุศลเป็นยังไงก็ไม่รู้จักนะอยากแต่จะปฏิบัตนะิลืมบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะ ปีละศิกขาจิตศิกยาปัญญาศิกขาลืมจิตศิษยาไม่เรียนเรื่องจิตะอยากรู้กายรู้ใจเลยละเลยที่จะเรียนลักษณะของจิตนั้นเราไม่รู้เลยว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลนะมันจะหนักและจิตที่เป็นกุศลมันจะเบามีละหุตาเบาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะมีมุตุตานุ่มนวนจิตอกุศลจะแข็งกระด้างจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไม่ถูกนิวรณนครอบงำ ควรแก่การงานใช้งานได้ดีเพระาะไม่ถูกกิเลสทรอบงํจ e าจิตอกุศลจะถูกกิเลสทรบงำํำจิตที่เป็นกุศลมีปา่าคุณตาคล่องแคล่วว่องไวจิต e อกุศลจะซึมซึมชื้อจิตที่ e เป็นกุศลมีอุชุกตาซื่อรู้อย่างซื่อตรงทําหน้าที่รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงจิต e อกุศลจะชอบเข้าไปแทรกแซงแทรกแซงทั้งจิตแทรกแซงทั้งอารมณ์เช่นจิตไม่นิ่งก็สั่งให้นิ่งที่เข้าไปแทรกแซงแล้ แทรกแซงอารมณ์เช่นพอโกรธขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธหรือโกรธเนาะโกรธเนาะก็าจะไล่ความโกรธไป น, นี้แทรกแสงนะไม่ใช่ไม่ใช่อุชุกตาเงี่ยเวลาที่เราสังเกตให้ดีนะพอพวกเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ใจของเราหนักหนักขึ้นมาใจของเราแน่นๆ่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อขึ้นมานะขณะนั้นอกุศลแลจิตเกิดขึ้นแล้วนะจะปฏิบัติจนตกนรกก็ได้นะ เพราปฏิบัติด้วยอาคูโสรจิตพอคูณอาคูโสรจิตอยู่ตลอดเวลาป ฏ, ลวปฏิบัติแล้วเครียดรู้สึกไหมปฏิบัติแล้เครียดเครียดเครียดเราคิดว่านี่กุศลความเครียดหรือความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะมันเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตเท่านั้นเกิดร่วมกับอาคูโสนเท่านั้นนะความเครียดความทุกข์ในใจเราเนี่ยงั้นถ้าเราปฏิบัติ kim, แล้วเครียดปั๊บเนี่ยแสดงว่าทําผิดแน่นอนนะ ไม่ใช่ว่าทนดันทุลังเครียดไปเรื่อยๆจนเพี้ยนไปนะหลายคนปฏิบัติจนเพี้ยนแล้วหอบพิวกันมาให้หลวงพ่อแก่นะมนแก้ไม่ไหวน้ำเยอะเกินไปนะตอนหลังๆหลวงพ่อเลยบอกไปหาหมออติเบอร์สนะิบเอ็ดไหนสติหันหน้าให้เพื่อนดูหน่อยเนะี่ยให้ดูไว้เพื่ออะไรรู้ไหมถ้าใครมีพักพวกปฏิบัติแล้วเพี้ยนน้ำพาไปหาหมออตินั่นแมละอย่าพามาหาหลวงพ่อนะ เอาคนดีๆค่อยมาเรียนนะคนเตี้ยนล้วเรียนไม่ไหวแล้วแก้คนเตียนเตียนคนหนึ่งเนี่ยนะใช้แรงมากกว่าตอนคนดีสิบคนยี่สิบคนอีกนั้นต้องระวังนะปฏิบัติไปแล้วอกุศลเกิดปฏิบัติปุ๊พอลงมือปฏิบัติสังเกตไหมสิ่งที่ทําอันแรกพอคิดถึงเรื่องปฏิบัติคือวางฟอร์มถามมันแน่นไหมมันหนักไหมหรือว่ามันเบาเห็นไหม มันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันชื้นีอ่อกูสันนะถ้าเรียนอริยธรรมนิดหนึ่งแล้วไม่พลาดขนาดเนี้ยแต่พวกเรียนอริยธรรมแล้วพลาดกูเยอะนะไม่รู้พลาดได้ยังไงคลิกตำราไม่ทันหรือจิตยังไงทำสมถะจิตยังไงทำที่ปัสนาแยกไม่ออกนะส่วนมากแยกไม่ออกคิดว่าทำที่ปัสนาต้องไปเพ่ง อ, อ ก, การเพ่งกายการเพ่งใจเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรเงี้ย คือการเช่งตัวอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานเป็นการทำสมถะนะอย่างไรคนดูท้องฟองยุบแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆที่ท้องนี่สมถะนะไม่ใช่วิปัสนาเดินจงกรมจิตไหลลงไปเกาะที่เท้านี่สมถะนะรู้ลมหายใจจิตไหลไปเกาะที่ลมหายใจนี่ก็สมถะสนะำนักไหนก็ทำพลาดได้เหมือนกันนะถ้าเข้าใจหลักเราก็ถูกได้เหมือนกันนะไม่ดีไม่ร้ายกว่ากันเหมือนๆกัน งั้นมาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่สั่งว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ใครเคยทํากรรมฐานอะไรทําไปแต่ทําแล้วให้เกิดสติทําเพื่อให้เกิดสติสติจะเกิดได้เมื่อกี้เล่าแล้วสติเกิดได้เพราะจิตจาสภาวะได้เพราะงั้นทํากรรมฐานแล้วหัดสังเกตสภาวะไปคนไหนเคยรู้ท้องของยุค ก, ก็รู้ได้ะแต่ถ้ารู้แล้วเครียดแสดงว่าไม่ถูกเจริตนะแล้วก็หาอารมณ์อื่นที่มันไม่เครียดอารมณ์เครียดใช้ไม่ได้อับปุศล งั้นเราสมมุติเรารู้ท้องฟองยุบแล้วใจสบายเราก็รู้ไปอย่างสบายๆรู้ไปสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจหนีไปคิดละนี่รู้สภาวะดูท้องพองยุบสักพักหนึ่งจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปเกาะนิ่งๆที่ท้องนี่สภาวะแห่งการเพ่งเกิดขึ้นละเรารู้จักแล้วก็รู้ว่าเพ่งละหรือท้องฟองยุบไปจิตใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านหรือท้องฟองยุบไปจิตสงบรู้ว่าสงบมีปีติรู้ว่ามีปีติ ที่พังอ่ะวุวววบวบุบว่าๆผลุกคนชันอะไรนั่นปิติทั้งหมดนะไม่ใช่วิปัสนาญาณมีปิติรู้ว่ามีปิติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความโลภ ป, ปลดหลงเกิดขึ้นรู้ว่ามีความโลภ ป, ปลดหลงนะเพราะงั้นดูท้องของยุบแล้วก็หัดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในใจไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่แหละกิเลสอะไรไหวแวบขึ้นมาสติจะเห็นเองโดยไม่ต้องจงใจเห็น คนที่เรียนกับหลวงพ่อจนสติเกิดอัตโนมัตินี่มีเป็นร้อยๆแล้วนะแบบไม่ต้องเจตนาจะเห็นนะมันเห็นเองอะไรไหวขึ้นมามันเห็นหมดนะหรือหัดพุดโทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้เช่นหัดหายใจเนี่ยจิตเหลอไปก็รู้จิตไปเพ่งไว้ก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็หัดรู้ในที่สุดเราก็รู้จักสภาวะเยอะแยะเลยเราไปสภาวะที่รู้จักแล้วเกิดสติก็จะเกิดเอง เลยหัดยกเท้าย่างเท้าแล้วก็ยกไปยกไปแล้วจิตเหลอไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้หัดรู้สภาวะนะวันไหนขยับมือสายลงข้อเทียนขยับขยับแล้วจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์กเป็นกุศลอกุศลรู้ทันหลักเดียวกันนะใช้กับกรรมาฐานอะไรก็ได้ใช้ได้ทุกสํานักะน ะ, นะยกเว้นกรรมฐานที่ดูออกไปข้างนอก ไม่ดูกายดูใจไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจเช่นไปนั่งเพ่งไฟเพ่งอะไรอย่างนี้นะมันจะไม่ย้อนมาดูกายดูใจพวกนี้ทำวิปัสนาลำบากกลับมาขึ้นวิปัสนายากแต่ถ้ากรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจส่วนใหญ่ที่พวกเราทำอยู่มันจะเนื่องด้วยกายด้วยใจอยู่แล้วละมันก็ทำต่อไปไม่ใช่ผิดอะไรแต่ที่ผิดเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไปมุ่งทาด้วยการเพ่งลูกเดียว เพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจจิตใจก็นิ่งนิ่งทื่อ ๆ, ๆขึ้นมาแล้วก็นึกว่าได้ความดีละกิเลสไม่เกิดความจริงเป็ขคมมันไว้ข่มมันไว้วมมไวอย่างหลวงพ่อบอกให้รู้รนะหลายคนบอกว่าดิฉันก็หัดรู้นะแต่ถ้าเห็นตัวสภาวะจริงๆว่าจะรู้เลยว่าไม่ได้รู้หรอกเพ่งอยู่ยังแยกไม่ออกว่ารู้กับเพ่งต่างกันยังไงเยอะเลยนะหลายคนให้บอกว่าที่เคยฝึกมาแต่ก่อนก็เหมือนกับที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละ มันเหมือนกันด้วยคำพูดเท่านั้นแหละแต่สภาวะไม่เหมือนกันเกือบทั้งหมดคือนักเพ่งนะเพ่งลูกเดียวเลยไม่ใช่มีคนรู้สักกี่คนหรอกเ<ม>บอร์เก้าใจลอยไปแล้วซักไหมโ<ม>บเป็นไงโบหือหือเป็นไงโบออเบ อ, อาส่งด้วยคำพูดติคนอื่นก็จะได้ฟังไหมเล่นจะส่งในใจก <laughs> ็รู้สึกว่า เอาละเละไม่ต้องส่งก็ได้ที่ทำอยู่ก็ดีแล้วใช้ได้แล้ว <c oughs> อ่ะอาจารย์โตอาจารย์ปูอ่ก็ช่วงนี้จะคิดเยอะมากเลยค่ะดูอวกไหมจิตฟุ้งซ่านไม่ห้ามน ะ, ะให้รู้อย่างที่เขาเป็นแต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะจำเป็นทุกวันควรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรควรทำ ก็ทำอยู่ค่ะตอนนี้ก็ตื่นนอนก็ทําด้วยก่อนอแต่ทําเนี่ไม่ใช่ทำเอาเคลิมส่วนใหญ่ชอบทำเอาเคลิมนะเช่นหายใจแล้วก็เอาให้เคลิมนะหรือไม่ก็เพ่งให้มันนิ่งเลยเช่นดูท้องของยุบหรือขยับมือนี้รู้หมดเลยนะคิ๊กๆๆเพ่งตลอดเลยนะเพ่งอันนี้ได้แต่สมถะนะต้องระมัดระวังเงัอนการทําในรูปแบบเนี่จําเป็น อย่ที่หลวงพ่อเล่าตะเี้ยวนะพุโทโธไปหรือหายใจไปหรือดูท้องฟองยุบไปเลยแล้วหัดรู้สภาวะไปแท้จริงแล้วการทํากรรมฐานแต่และอย่างเนี่ยจิตจะพลิกแปลงได้สี่แบบยกตัวอย่า ง, อ ย, างอย่างดูท้องฟองยุบเนะี่ยดูท้องฟองยุบแล้วเผลอลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนี่ใช้ไม่ได้นี่แบบที่หนึ่งใช้ไม่ได้ดูท้องฟองยุบแล้วจิตไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องได้สมถะนี่อย่างที่สอง อย่างที่สามดูท้องพองยุบแล้วเห็นร่างกายนี้มันหายใจรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่ทำมิปัสสนาด้วยการรู้กายมีใจเป็นคนดูนะไม่ใช่ไม่มีใจนะอย่างที่สี่เนี่ยดูท้องพองยุบแล้วหัดรู้สภาวะของจิตไปเผลอไปคิดเผลอไปเพ่งเผลอไปทำอะไรรู้ทันมันจะขึ้นมาทำมิปัสสนาด้วยการดูจิตได้ดังนั้นกรรมฐานอื่นก็อย่างเดียวกันรู้ลมหายใจแล้วก็เผลอไป เสริมงอแงงอแงกเนี่ยใช้ไม่ได mm ้อ hmm. ย like ่างที่หนึ่งอย่างที่สองรู้ลมหายใจแล้วไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเหมือนที่เพ่งท้องนั่นแหละอันนี้ได้สมถะอย่ที่สามรู้ลมหายใจแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูเเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวฟูเหยียดใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็รู้กาย ทำมิปัสนารู้กยายจะเห็นเลยไอตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกทันทีนะเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่ความคิดอย่างที่สี่ก็คือหายใจไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตเท่งก็รู้อะไรอันนี้จะหัดดูจิตการดูจิตถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะต่อไปเราจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมละ่ะ ถ้าคนไหนยังปฏิบัติทำในชีวิตประจําวันไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้าคิดว่าจะปฏิบัติเฉพาะตอนเข้าวัดเข้าคอร์สเวลาที่เหลือกิเลสเอาไปกินหมดเลยนะใช้ไม่ได้แต่ถ้าคนไหนหลอมรวมการเจริญสติเข้าในชีวิตประจําวันได้ก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกยังไงก็ได้นะวันก่อนหนะ้ามีหนุ่มคนหนึ่งหลวงพ่อก็ามาถามหลวงพ่อเขานั่งอยู่ตรงเบอร์สิบเจ็ดเนี่ย ถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรมก็เดินกันยังไงวันนั้นคนเต็มศาลาเลยหลวงพ่อบอกกล้าไหมกล้าแล้วออกมาเดินโชว์ตรงเนี้ยกล้าจริงๆนะเดินจริงๆนะค่อยๆมุดๆออกมานะย่องย่องเดินย่องย่องออกมาแบบคนออกมาหลวงพ่อบอกหยุดก่อนยังใช้ไม่ได้ทําไมตอนที่เดินออกมาเพื่อจะมาเข้าทางจงกรมเนี่ยไม่มีสติคิดใช่ไหมว่ายังไม่ถึงเวลาปฏิบัติเห็นไหมแยกชีวิตเป็นสองส่วนแล้วนะ ตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติตอนนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติถ้ายังมีความรู้สึกอย่างนี้อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลเลยอีกไกลแต่ถ้าทุกเก้าวที่เคลื่อนไหวทุกอิริยาบถที่ขยับนะรู้สึกตัวก็ไม่ต้องพูดเรื่องมรรคผลอนะ่ะไม่มันไปไหนไม่รอดหรอกนะโยเว้นพวกหวังเป็นพระโพธิสัตว์อะไรนั้นนะเป็นพุทธภูมิแต่มันไม่ยอมตัดอีกพวกหนึ่งก็พวกที่ทำบาปหนักหนักมันไม่ตัดนี่หลวงพ่อก็เรียกอาวเขา เหลอไปแล้วเดินมุดออกมาพอาเขารู้สึกตัวนะเ่าเดินต่อได้คราว น, นี้เดินระวังตัวนะไม่ใจลอยเดินระวังพ อ, อย่างนี้ใช้ได้เดินใช้ได้มาตลอดเลยรู้สึกตัวมาตลอดพอเข้าต้นทางเดินจงกรมเข้าหัวจงกรมสิ่งที่ทําคืออะไรคือทําอย่างนี้ปรับข้างอีกแล้วเข้าใจไหมตอนเดินทีแรกก็สะเปสปา่าเลยขาดสตินะหลงตามกิเลสไป พอเริ่มจะปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจแล้วจะค่อยๆเดินนะผิดอีกแล้วนะแท้จริงแล้วถ้าอยากเดินจงกลมก็คือทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกลมทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ต้องแกล้งช้าๆด้วยนะนะบางคนพยายามจะให้ช้าๆเพื่อสติจะได้ตามทันเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่ฝึกร่างกายให้ช้าลงแล้นะฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น วิธีที่สติจะเร็วคือจิตมันจาสภาวะได้แม่นสติจะเร็วของโยมเป็นไงโยมมากับใครล่ะมากับแดงก็ปฏิบัติมันไม่ยอมหลุดออกจา ก, กความตึงอะไรนะอะไรนะโยมมันตึงเครียดมันตึงเครียดนะไม่ยอมคลายห<อ>รอกใยามไมจะคลายอ่นะใจเราไปติดตัวนีนะ้มีวิธีที่ง่ายๆนะแต่ต้องใจเด็ดๆหน่อยเลิกปฏิบัติซะก่อน หัดหลงสั ก, ก่อนหลงพ่อจะเล่าให้ฟังมีพระองค์หนึ่งมาจากจังหวัดเลยท่านเพ่งเก่งประยมอีกเพ่งจนท่านรู้นะว่าท่านจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันจะต้องเส้นเลือดแตกตายล้วท่านรู้ตัวเลยท่านก็ไปลาครูบาอาจารย์บอกจะมาขอเรียนกรรมฐานแต่เดิมท่านเคยก่อนบวชเนี่ยท่านเคยดูจิตของตัวเองแต่แล้วท่านไปบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ลุงพูทธท่านที่เลย แล้วท่านก็เครียดจัดนะท่านเพ่งมากเครียดเพ่งแบบโยงเงี้ยนะเครียดจนเหมือนปัวจะแตกเลยเครียดจัดท่านก็ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ทำยังไงดีผมเพ่งมากจะหมดกําลังละนะใกล้จะไปรอดแล้ะหลวงปู่ยิ้มหวานหันมาบอกทางใครทางมัน <c oughs> โอ้ตายแล้วว่าหลวงปู่ไม่ช่วยความจริงหลวงปู่ช่วยแล้ว กรรมฐ า, านนะทางใครทางมันนะอย่าเรียนแบบกันจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันอย่ามาเรียนแบบกันท่านได้ยินหลวงปู่บอกเสร็จแล้วีแรกตกใจแต่วันนึกได้เอะแต่ก่อนเราเคยดูจิตใจเดี๋ยวนี้เรามาทําอย่างอื่นมันไม่สบายมันไม่ถูกจิตอ่ะก็เลยบอกหลวงปู่ผมจะไปเรียนดูจิตหลวงปู่ถามไปเรียนที่ไหนจะไปเรียนแก่หลวงพ่อประโมทที่เมืองกาลหลวงปู่บอกไปเที่ยว จะดีถ้าท่านเป็นบอกไฟแดงหรือไฟเหลืองไอ้เขียวเขาพระท่านมาเลยนะมานั่งรถทัวร์มานะกว่าจะเลาะรัดมาจนถึงสวนโพที่เมืองการได้บ่ายละบ่ายสองได้มาถึงท่านก็เอะอะอยู่หน้าวัดเลยจะให้พบหรือไม่ให้พบถ้าไม่ให้พบจะกลับเตอนท่านหลวงพ่ออยู่หลังวัดนั้นได้ยินเสียงอะไรมุกเวกมุกเวกหน้าวัดให้พราไปดูอ๋อมีพระหมา ท่านจะมาสนทนาธรรมนี่มนท่านเข้ามาท่านก็เพ่งอย่างเนี้ยเราพ่อใช้วิธีไงชวนท่านคุยชวนท่านคุยให้ท่านเผลอคุยคุยไปสักพักนะชวนคุยเรื่องน้นเรื่องนี้พอท่านเผลอท่านก็เลิกเพ่งเผลอกับเพ่งมันสุดขั้วกันนะพอเราเผลอไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้นัมันจะเลิกเพ่งพอเผลอๆสักพักหลวงพ่อก็จี้ท่านแน่ท่านอาจารย์เผลอแล้ว ท่านก็เห็นเออเผอแทบเผอแล้วทันทีเลยนะพอรู้ว่าเผลอจะต้องเพ่งใช่ไหมเราก็ชวนท่านคุยคุยคุยให้ท่านเผลออีกนะแน่อาจารย์เผอแล้วเออใช่พอครั้งที่สามนะท่านเผออีกบองอาจารย์เผอแล้วท่านลุกตบกุ้โป้งเลยนะไปแล้วไปละเข้าใจล้วที่จริงจิตมันอย่างนี้แรบ แผลบใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยแผลบแผลบแผลบนี่ใช่ไหมเอาใช่ครับพอท่านบอกท่านจะไปแล้วไปแล้วนะหลวงปู่ท่อนโทรศัพท์มาเลยกลับได้แล้วหมดธุระแล้วไม่มีคนนวดมาได้แล้วน่ารักตรงนี้ท่านนักเลยเสียงดังถามว่าท่านเห็นอะไรแผลบแผท่านเห็นว่าจิตนี้มันทำงานของมันเอง เดี๋ยวก็เผลอไปนะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวแล้วก็เพ่งเอาไว้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโยมหยุดปฏิบัติได้ไหมหรือใจมันไม่ยอมหยุดละหยุดปฏิบัตินะเพ่งหงรือยุดยังไงฮะมันเป็นอตโนมัติมันมันติดละนะนะงั้นโยมต้องหาอะไรมาล่อมันนะหาอารมณ์อื่นมาล่อมันที่นอกเหนือจากการทํากรรมฐานะนะนะเช่นหาหางานทํา ทานะ ง, งานทําหรือไปเลี้ยงปลานะตามวัดบางแห่งก็มีปลาให้เลี้ยงเราไปเลี้ยงปลาซื้ออาหารให้ปลากินเห็นปลามากินอาหารแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยคือดึงมันไปซะดึงมันออกไปดึงออกไปจากการปฏิบัติปกติซะนะเพราะถ้าเราเพ่งมากๆมันไม่ดีไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพราะว่าเราฝึกนั่นเองธรรมชาติของจิตไหลไปตามความเคยชินตอนนี้จิตเคยชินที่จะเพ่งนะ แล้วธรรมชาติของจิตธรรมดาของจิตมีข้อหนึ่งจิตไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้จิตเป็นอนาาัตตาเพราะงั้นเมื่อจิตเคยชินที่จะเพ่งเขาจะเพ่งเราห้ามเขาไม่ได้ในวิธีการก็คือต้องหาอย่างอื่นมาหลอกมันหาอารมณ์อื่นมาหลอกล่อมันอย่าตอนเนี้โยมหนีปิดคิดแล้วโยมทราบไหมอย่างถ้าตัวทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวโยมแป๊บหนึ่งนะโยมรู้สึกไหมโยมอยากพูดเมืเ่อกี้ใช่ค่ะเดีนะ๋ยวเอออย่าง้าว่าอย่งนี้ทำงานอยู่นี่แล้วเปิด ญญออาบะไนสอนโ ย, ยมทํางานอะไรล่ะงานที่ท <ำ S 1> ใช้ทําทงานบ้านได้ทํางานบ้านเนี่ยจเจริญสติได้ถ้าทํางานที่ต้องคิดนะเจริญสติไม่ได้ถ้าทํางานที่ต้องคิดจิตจะต้องรู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติขณะที่รู้อารมณ์บัญญัติก็รู้กายรู้ใจไม่ได้แต่ถ้าทํางานบ้านโยมดูไปเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูของโยมก็มีใจเป็นคนดูไว้นะ ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถึงเวลาก็พักผ่อนบ้างหนะางานอดิเรกทำนะคุยกับคนบ้างอย่าหนีเข้าถ้าลูกเดียวนะยิ่งหนียิ่งถอดถอยมันยิ่งยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะออกมาอยู่กับโลกแล้วอย่างสวดมนี้นะจิตเราอยู่กับคำสวดมนตลอดนี้เดี๋ยวอยู่กับคําสวดมน์ตลอดนี้แหละเพ่งละ่ะเ <c oughs> นี่ยยมรู้สึกไหมจิตหลุดออกจากการเพ่งแว บ, บหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ย ในไหา อ, อะไรเพราะว่าลืมไปนะเมื่อกี้จิตก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยกลับเข้าไปเพ่งใหม่แล้วทราบไหมมันแน่นจนแน่นเพราะว่าปกติของเราคือการแน่นอย่างจะพายด้วยการทีจารย์บอกไม่ใช่เราสั่งมันให้หายไม่ได้นะหลวงพ่อบอกแล้วจิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้เขามีเหตุคือเขาเคยชินที่จะเพ่งเขาก็จะเพ่งงั้นเราห้ามไม่ให้เพ่งไม่ได้ เราต้องสร้างความเคยชินอย่างใหม่ขึ้นมานะเคลื่อนไหวไหว้ทําอะไรสซะดึงดูดความสนใจออกไปที่อื่นให้มันเผลอไปเลยพอาเผลอไปแล้วเราก็รู้ทันว่าเผลอเนีผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนมันจะรู้สึกตัวได้พอดีเอารู้สึกตัวปุ๊บมันจะกลับไปเพ่งใหม่เพราะมันเคยชินนะเราก็หาอะไรมาทําให้มันเผลอไปอีกเอเผลอไปอีกแล้วเราก็รู้ทันว่าเผลอแล้วเนี่ยมันจะกลับมาพอดีแซ้กสองสามรอบเนี่ยเข้าๆออกๆเมื่อกี้หนีไปคิดแว๊บหนึ่งทราบไหม เนี่ยพอรู้ทันว่าหนีไปคิดรู้สึกไหมมันหยุดเพ่งเลยเห็นไหมเนี่ยตรงที่มันเผลอไปคิดเรารู้ทันว่าเผลอไปคิดมันก็เลิกเพ่งเลยมันรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นนะจริงๆไม่ยากนักหรอกเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมตอนเผลอเนี่ยไม่ได้เพ่งรู้สึกไหมนัม่นเผลอบ่อยๆนะรู้เบาแต่เวลาปกติแล้วเดี๋ยวห่งนั่นแหละลืมเรื่องปฏิบัติซะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้นี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติละ นะมันที่เหมือนกับตกมาจากที่สูงๆโยมอย่างดีนะของโยมยังไม่หนักบางคนเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องละติดเพ่งมากบางคนนี้เดินอย่างนี้นะ <c oughs> ย่นี้ถามว่าเป็นอะไรเครดต์คอเครดต์หลังเครดต์เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยดิฉันไปหาหมอมาตั้งหลายหมอแล้วหมอเลี้ยงไข้นะรักษาไม่หายสักหมอเลยหมอไม่เลี้ยงไข้ก็หมอไม่เก่ง หมอเทวดาก็รักษาไม่ได้นะเล่นเกลิงทั้งวันนะ่ะ ไ, ไปไหนก็เกลิงเรลิงนะบังคับตัวเองตลอดนะมันไม่ถูกนะใจลอยไว้บ้างนะหัดใจลอยใจลอยมั <c oughs> ตามดูจิตไม่ได้นะใช่ให้มันใจลอยไปก่อนแล้ว ร, รู้ว่าใจลอยนั่นแหละเรียกว่าดูจิตนะการดูจิตไม่ใช่การนั่งเศร้าไม่ใช่การเศร้าจิตนะ การดูจิตหมายถึงว่าใจลอยไปแล้วก็ค่อยรู้ว่าใจลอยโกรธไปแล้วค่อยรู้ว่าโกรธเพ่งไปเรารู้ว่าเพ่งนะสภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วตามรู้ทีหลังแต่ตามไปชั้นชั้นหนะ่อยเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยสังเกตไหมโยมอาตมาพาดูตรงที่ใจแอบไปคิดเนะี่ยพยมรู้ว่าคิดนี่นะสาครั้งแล้วนะพยมรู้สึกไหมพอรู้ว่าคิดเนี่มันจะหลุดออกมาเลยมันจะตื่นขึ้นมามันเบาเบาเลยนะงั้นฝึกไว้ อย่างนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าอาตมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไปคิดดูออกไหมฟังไปคิดไปนะตอนนี้เอาใหม่นะฝึกอย่างนี้จิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดเ น, นี่ยตอนเนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมเพราะงั้นต่อไปนี้นะไปหาคนคุยด้วยสักคนหนึ่งนะไปคุยกับใครก็ได้อย่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเราเพ่งเก่งนะหาคนมาคุยด้วย ก็คุยไปแล้วจิตล้วไปคิดแล้วเราจะหาเรื่องคุยเราต้องคิดก่อนใช่ไหมใจไปคิดรู้่คิดปุ๊บต่จะตื่นขึ้นมาได้ตื่นบ่อยๆนะเราเอาเขาเป็นเหยื่อชวนเขาคุยนะแต่เราจะไม่รู้เรื่องที่คุยกับเขาหรอก mm hmm. นายมงคลมงค ล, งคลอุตสาห์มาจากนครเนี่ยอ๋อก็คล้ายๆกับที่หลวงพ่อพูดมาครับก็คือเดียนะมงคลเอาอีกแล้วเห็นไหมเข้าถ้ำอีกแล้ว บอกไว้ลืมตาไว้ลืมตาไว้แล้วก็หันไปดูคนน้อยคนนี้นะอย่าหยุดเฉยๆนะภิกษุทั้งหลายจงลืมตาดูโลกนี่ซึ่งงดงามดุดราชรถทรงของพระราชาให้ลืมตามาดูอย่าหนีมันพอเห็นแล้วใจเรายินดียินร้ายเราคอยรู้ทันแค่นี้พอแล้วไม่ใช่ไปบังคับให้นิ่งบังคับให้นิ่งไม่มีใจรักให้ดูนิ่งอีกแล้วทราบไหมนิ่งอีกแล้วหนีไปคิดแล้นะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นไหมให้รู้ทันตัวเองเอาหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารให้ดูมองหน้าหลวงพ่อนะมองให้ชัดนะดูรู้สึกไหมจะเห็นชัดแว็บเดียวดูออกไม้มเห็นชัดได้แว็บเดียวดูออกเท่าไหรเห็นไหมเห็นชัดได้นิดเดียวนะแล้วอยากจะชัดใหม่ต้องดูใหม่ไปดูหมาก็จะเห็นแบบเดียวกันนี้แหละ เพราะว่าจากักขูวิญญาณจิตเกิดครั้งลักษณะเดียวจิตเกิดแล้วดับนะเสียงจิตที่ได้ยินเสียงก็เกิดดับทีลักษณะจิตที่ทํางานทางใจนี่เกิดเยอะหน่อยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยเห็นไหมพอรู้ว่าจิตคิดก็จะตื่นขะึ้นมานะไม่ได้เพ่งเพราะฉนั้นให้มันหลงคิดไปแล้วรู้ว่ามันคิดนให้มันคิดไปแล้วรู้ว่าคิดคิดไปแล้วรู้ว่าคิดเสือไปเรารู้ว่าเสือนอั่นแหละ เนี่ยเปิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมว่าเบาในจิตที่เป็นกุศลต้องเบานะที่หลวงพ่อบอกแล้วมันสว่างไสวรู้สึกไหมมันเบามันสงบมันสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานเบิกบานด้วยดูออกไหมความเบิกบานด้วยนจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างนั้นมงคลว่าไงมงคลก็คล้ายๆกับนาเขาครับก็คือค่อนข้างจะเกรงๆแล้วก็ตื่นๆ อแตบมันจะรู้สึกว่ามันหนักหนักเรื่องนอกเรื่องเรื่อเรเรื่ืออะไรนะอันหลังนี่อะไรนะก็คือถ้ารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันหนักหนักะครับก็เลิกองเลิกไปก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่เอะดีครับอยากถามหลงพ่อนิดนึงนะครับว่าอย่างที่หลวงพ่อทักบางบางบางคนนะครับว่ามองหน้าหลวงพ่อแล้วจะเห็นแวบเดียวแล้วก็จะเรื่องเรืองแล้วก็ต้องมองใหม่อืม ถ้วบางคนไม่เห็นแบบนี้เห็นแบบเหมือนกับไม่เป็นไรเห็นยังไงก็ได้นะ ค, คนที่เขาพอมองเห็นนี่เลยพาให้เขาดูเล่นความจริงไม่ใช่ปาฏิหารนะจริงๆแล้วว่าไม่ว่าเราจะมองอะไรเราเห็นได้แว บ, บเดียวเพราะว่าจากักรภูวิน ญ, ญาณจิตจิตที่ไปใช้ดูมันเกิดทีละขนาะเทนั้นแหละเวลาเรามองหน้าคนข้างๆเราลองสังเกตสิเรามองแบบต่อจิกสอนะมองได้จุดเล็กๆนะ แล้วก็เลือนๆเลยต้องไปดูอีกเนี่ยแล้วดูหลายๆทีแล้วก็อาศัยความจํามารวมเข้ามาแล้วก็เป็นหน้าคนนี้ขึ้นมาต้องดูตั้งเยอะหน่อยกว่าจะได้หน้าคนหน้านึงเนี่ยมองคนข้างๆลองดูสีเรามองทีละจุดใช่ไหมมองตาซ้ายมองตาขวาเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมาสบตาไม่ใช่ให้ศบตาปิ๊งปนะิ๊งน่ะเนี่ยให้นุ่มๆจะโชว์โอกาสแล้วที่มองเห็นแบบไม่ไม่เลือนเห็นไม่เป็นไรเรายังไม่เห็นความเกิดดับของจิต ไม่เห็นความเกิดดับของจิตที่เกิดที่ตาปติไม่ไวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องสนใจแต่ละคนทางใครทางมันหลวงพ่อบอกแล้วไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะไม่ต้องพยายามไปดูให้เลือนนะอย่างนี้ไม่เอานะเห็นเท่าที่เห็นได้เห็นมงควลหยาบหรือละเอียดไม่สําคัญหยาบก็แสดงไตรักละเอียดก็แสดงไตรลักษเท่าเท่ากันไม่ต้องไปแกล้งทํานั่น่อย่างนี้ไม่เอานะ ส่งให้คุณเฉลิมพงศ์น่ะไม่เจอกันนานแล้วก็ดีขึ้นนะ้าจากยโมหะร้อยลงโอ้ดีนะมุกบก็ดีนะกภาวนาดีช่วงนี้สุนันก็ดีเหมือนกันแต่เราส่งใหม่ให้ไม่ได้จะกลายเป็นก้อนหินทันทีเลย <c oughs> เอาเบอร์ยี่สิบมาจากไหนคนเนี้ยไปบวชมาจากไหนเออภาวนาดีนะ ที่ทำเยอะดีแล้วแล้วเอตราใบโพนี่อะไรตราวัดเหรอที่มีเสื้อตราใบโเนี้อ๋อเมื่อก่อนมีห้างขายยาตราใบโพเหมือนเงินเปี๊บเลยดีแล้วนะที่ทำเยอะดีแล้วก็กราบนวัสกรรมอาจารย์ครับอยากจะถามข้อคิดแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติเล็กๆครับ คือทั้งทั้ที่เราทราบระหว่าตัวกุศลและอกุศลนะครับว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีแต่บางครั้งสติมันตามไม่ทันทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันไม่ดีไม่ดีก็ยังทําแต่เพรายังทําอก็ขั้แรกสุดเลยนะเราอย่าสู้กิเลสไม่ไหวเพราะงั้นต่ําสุดเลยถือศีลห้าไว้ก่อนนับปฏิบัติต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะเพราะงั้นไม่ว่ากิเลสจะรุนแรงแค่ไหนนะเราว่ามันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ใจอย่าให้ผิดศีลห้า หลังจากนั้นเป็นเรื่องกิเลสทางใจเราแล้วเป็นงานทางใจแล้วมันไม่ล้นออกมาทางกายทางวาจาแล้วอคูสันเกิดในใจเราคอยรู้เอาแต่อย่าให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจ า, าแล้วกันแต่ถ้าอย่างเช่นอยากดูหนังอะไรเงี้ยแม่แมพูดไม่ไหวจะไปดูหนังมันก็ไม่ผิดศีลอะไรในชะ่ไหเป็นคาวาสเนี่ยก็ไปดูได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถือศีลแปดแล้วก็ดูไม่ได้เสียสัจจะดีฝึกมาได้ดีนะ หลวงปู่พุทธาอิสระให้เป็นตาที่แปกเป็นโพธิสัตว์ที่รู้สึกตัวหลวงพ่อไปเจอแต่โพธิสัตว์ไม่ค่อยรู้สึกตัวทาวัดท่านมาที่หลวงพ่อเยอะมากอยู่เมืองการใกล้ๆมาบอกบอกหลวงปู่บ่นใหญ่ละว่าพวกนี้จะหนีเป็นนิพพานหมดล้วไม่มีใครตามท่านไปถ้าก็แอบหัวเรากกับคิดคักคิดเรื่องอะไรจะตามตั้งไกล ดีที่ทำอยู่ใช่ได้ก็อีกสักคนสองคนส่งต่อเลยหลวงพ่อครับคือเคยฟังหลวงพ่อตอบคาถามของคนที่มาปฏิบัติที่นี่แล้วบอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วรู้สึกเป็นก้อนหนักๆที่อกแล้วหลวงพ่อตอบก็เป็นวิบากนีค่ะอือวิบากเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้เป็นผลจากการกระทกากรรมนะ เช่เราเกิดกิเลสเราอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติเราก็เพ่งปึกเข้าให้เลยมันมีวิบากมันแข็งแข็งแน่นๆขึ้นมางั้นตรงที่แน่นๆน่นเลยแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้เพราะเป็นวิบากต้องรับผลของกรรมนี้แต่เราก็อย่าไปทํากรรมแบบเดียวกันซ้ํามันก็จะแน่นอีกเพราะงั้นต่อไปพอกิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันเช่นอยากปฏิบัติปุ๊บรู้ทันแนี่ยหมดความอยาก แถมปฏิบัติเสร็จแล้วด้วยการปฏิบัติเสร็จแล้วด้วยอยากขึ้นมารู้ว่าอยากปฏิบัติเสร็จถ้ารู้ไม่ทนันลงมือจ้องไว้ลงมือกําหนดไว้เกิดรู้ทันว่ากําลังกําหนดอยู่อย่างงก็ยังใช้ได้ถ้ากําหนดเรียบร้อยไปแล้วทื่อถๆไปแล้วยังไงก็แน่นช่วยไม่ได้อันนั้นต้องรับผลของกรรมแล้ว อ, อาการที่เหมือนมีอะไรไหวอยู่กลางอกเออดีแล้วละ่ะ สังขารความปรุงแต่งก็ทํางานในขั้นละเอียดจะเป็นความไหวอยู่ที่กลาง อ, อกนี้แหละแล้วต่อไปสัญญาความจําของเราเนี่ยจะเข้าไปกระทบมันแล้วมัจะแปลเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาหรือแปลเป็นสิ่เหลียมต่างๆขึ้นมาแปลเป็นภูสุนขึ้นมาสภาวะละเอียดถึงที่สุดนะเป็นความไหวๆนิดเดียวหรือละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแค่เป็นแสงสว่างขึ้นมาภายในเท่านั้นเอง เ ร, เราไม่ต้องรู้ว่ามันไหวอะไรไม่ต้องไม่ต้องแค่เห็นความไหวแต่ต้องดูอยู่ห่างๆนะอย่ากระโจนลงไปดูความไหวนะถ้าดูแบบตกลงไปในบอ่ออย่างี้ใช้ไม่ได้เอยพยายามไปดูแล้วล่ะคะ่ะดูอยู่<ป>ห่างๆอย่ากระโจนเข้าไปไอ้ก้อนที่มันเป็นก้อนอยู่ที่มันใหญ่ไปเลยเธอใช่สียิ่งใหญ่กว่าเก่าแล้เพราะว่าจงใจมากกว่าเก่าอีกน ะ, ะส่งไปโจยิทำให้คุณเสื้อแดง สายหลวงพ่อเทียนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจพอดีฟังไปศาลาลุงชินแล้วได้ได้ซีดีฟังของหลวงพ่อนะคะ mm hmm. ก็พยายามปฏิบัติ mm hmm. ก็เลยรู้สึกมันเกรงอชอบคิดอยู่เรื่อยว่าปฏิบัติถูกหรือผิดเ<อ>พราติดบัญญัติคืออย่างนี้ถ้ามันสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะที่ทําอยู่นี่ถูกหรือผิดนะรู้ลงปัจจุบันรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ถูกพอดีเป๊ะเลย เมื่อไรรู้ลงปัจจุบันเมื่อนั้นถูกพดีเป้เลยหลวงพ่อเจียนเนี่ยแก่นทำต่อหลวงท่านท่านขยับเนี่ยเพื่อจะรู้สึกตัวรุ่นหลังๆเริ่มพลาดแล้วไปขยับแล้วไปเพ่งเอาเพ่งเอาแล้วมันจะต่างอะไรกับการทําสมถะของสำนักอื่นๆมันก็คือสมถะนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าอ่านหนังสือหลงท่านต้องภาษาของท่านไม่ค่อยเข้าใจอ่าภาษาท่านก็เป็นแบบที่ถ้าฟังกับท่านละเขาเข้าใจ จริงๆหลวงพ่อเตียนเนี่ยตัวท่านนะท่านรู้สึกตัวได้ดีมากท่านเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดองหนึ่งเลย<น> ะ, <น>ะท่านขยับขยืน่นในท่านจิตท่านตื่นท่านใช้คําว่าขย่าวธาตรุรู้เคยนึ้ออกไหมขย่าวธาตุรู้ธนะ <นะ S 2> าตุรู้กับธาตุหลงมันจับข้างกันถ้าเมื่อไหร่ขยับเนี่ยนะแล้วจิตเราหนีไปคิดขยับไปพอขยับปุ๊บจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเราจะตื่นขึ้นมา หลวพ่อเตียนสอนง่ายๆเลยถ้าเมื่อไร่รู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะยมสังเกตไม่นั่งฟังแตมาพูดเนี่ยฟังไปคิดไปถ้าเกิดรู้ทันว่าอคิดแล้วอย่างเนี้ยเรียกว่ารู้ทันว่าคิดรู้ว่าจิตคิดนี่แหละยอดนักปฏิบัติละพอรู้ทันว่าจิตคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพออยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเนี่นะจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ตัวที่กําลังเคลื่อนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารูปมันกําลังไหวอยู่ใจมันเป็นแค่คนดูนะแล้วท่านสอนต่อไปอีกหลวงพ่อเตียนเนี่ยสอนคีย์เวิร์ดหน้าฟังไว้สองอันนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือจะเกิดสตินั่นเองนะรู้ว่าจิตคิดปุ๊บจะหลุดจากความคิดรู้สึกตัวเกิดสติประโยคที่สองที่ท่านบอกก็คือการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดอันนี้สั้นที่สุดสําหรับคนที่เหมาะอาการดูจิตนะ แต่ยาวที่สุดสำหรับคนที่เหมาะอาการดูกายทางใครทางมันน ะ, ะพวกคิดมากให้ดูจิตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนี่ให้ดูกายแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแ ป, ป๊บหนึ่งอยากพูดทราบไหมมันอยากพูดรู้สึกไหมให้รู้ทันว่ามันอยากพูดแล้วก็จิต บ, บัญญยัดด้วยนะคะคือก่อนหน้าช่วยไม่ได้บัญญัติจิตมันจาได้ จิตมันจะคิดห้ามมันไม่ได้ตอนนี้ก็เลยพยายามแก้ก็เลยรู้สึกแบบนอย่าแก้คำว่าแก้นะกว้างทิ้งไปคำว่าแก้นี่เป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาไม่มีคำว่าแก้วิปัสสนามีแต่คำว่ารู้ตามความเป็นจริงเพราะงั้นอย่างเช่นเราเผลอๆไปคิดปุ๊บขึ้นมาอุ้ยเผลอไปแล้วเผลอไม่ดีเลยมันบันยายขึ้นมาช่างมันปะไร สังเกตไหมมันพูดของมันเองเราไม่ได้เจตนา จ, จะพูดสังเกตไหมแค่นี้มันก็แสดงจุดโบให้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกอยู่ที่ความเข้าใจของเรานะจริงอย่างจิตเผลอไปปุ๊บพอรู้ว่าเผลอตรงเผลอนี่เป็นอกษษษุศลตรงรู้ว่าเผลอเป็นกุศลเสร็จแล้วมันเริ่มพูดเฮ้ยเมื่อกี้เผลอไปแล้วถ้าอย่าแย่แยและอะไรเงี้ยหรือมันโกรธอีกแล้วนะมันจะบรรยาย แต่ขนาดที่มันบรรยายเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยนะมันได้แสดงร่องรอยให้เราเห็นความไม่ใช่ตัวเราละมันพูดของมันเองรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ที่ความเข้าใจของเรานะถ้าเข้าใจกวนมายาของมันนะทุกสิ่งทุกอย่างแสดงธรรมะหมดเลยอ้าวโจยี่คนสุดท้ายเอาได้อีกสองคนสามคนอ่ะก่อนที่หลวงพ่อจะหมดลมอ้าว่าไป ก็ยังคล้ายๆแกคราวที่แล้วอะจุ๊ยไปประคองไว้นิดนึงดูออกไหมก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเบาไปนิดนึงนะครที่ผ่านมาประคองมากไปประคองมากไปมันชื้นๆไปนิดนึงรู้สึกไหมไม่เปรี่ยวมันเบาๆแต่ไม่สดชื่นพลังมันมันน้อยๆโอ้เออนะกําลังมันนี่ดีละดีที่รู้ไม่ต้องแก้นะ เดี๋ยจะมาถามหลวงพ่อว่าแก้ยังไงห<ช>ลวงพ่อจะเบิร์ดกะัะหลกในฐานะสิทธ์เก่านะสิทธ์เก่าแล้วมาถามว่าจะแก้สภาวะายังไงต้องปีละนะก็จะมีว่าเวลาที่หลงหรือเพ่งมันก็คือจะรู้สึกแคบแบบมันอยู่ในที่เล็กๆนะคะแต่ว่าพอพอหลุดจากตรงนั้นมันก็จะรู้สึกกว้ากว้างแล้วมันกระจายไปเลยใช่ไหมมันจะสุดโต่งพอคอนเซนเทรตลงไปก็บีบตัวเองเข้าไปอัดไว้แน่นๆ นะพอเลิกคอนเซนท์ก็กระจายไปเลยมันก็คือถ้าไม่บังคับไว้ก็หลงไปเลยจิตจะเวี่ยงอยู่อย่างเงี้ยห้ามมันไม่ได้หรอกแต่บางทีหลงมันหลงไปเป็นจุดเดียวก็เป็นอ่าได้ถ้าหลงก็ไปคาอยู่เรียกหลงเพ่งนะเพ่งก็หลงนะพวกพี่เพ่งท้องเพ่งอะไรเนี่ยจริงๆหลงทั้งนั้นนะ่นะะมีโมหายืนพื้นอยู่ถึงได้เกิดโลภะอยากปฏิบัติได้ถ้าไม่มีโมหายืนพื้นมันก็ไม่มีโลภะหรอก ชวงเช้วรู้สึกว่าจะวมวนิดหน่อยอ่ะวันนี้น่าจะดีดีแล้วดีล้วรู้ถูกต้องละอ้วน่ะอ้วนเป็นไงเทียบกับคราวก่อนเป็นไงอ้วนมันแน่นขึ้นนิดนึงอ่ะครับอนะมันสู้ครั้งก่อนไม่ได้มันหลบของสองวันนี้มันมันหนีอืมันหนี้หมดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่เห็นนะแล้วก็มันก็ยังอยากให้หายไหม อยากให้หายแล้วก็โจยี่หันไปทุกหนึ่งทีก็บางทีมันบางแว็บมันก็หลุดของมันเองอะครับเราเดี๋ยวมันก็หนีเขาไม่ทีเออช่างมันนะเราดูเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้หลุดนะแต่ดูให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี้ยไม่เที่ยงสภาวะทั้งหลายเราบังคับไม่ได้ดูเอาตรงนี้ดูเอาปัญญามันมีมันมีแค่บางแว็บนะฮะที่มันรู้สึกว่ามันเป็นแค่ สภาวะรู้ถ้าถ้าแว บ, บนั้นเกิดบ่อยๆเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งล้วนจะเป็นสภาวะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นมันก็จะเรารู้เหมือนเดิมอ่าเรารู้แล้วเรายังละไม่ได้จริงถ้าดูบ่อยๆหมอทรงยศเป็นไงเป็นไงบ้างคือวันี้รู้สึกว่าจะเพ่งเยอะค่ะแต่ว่า ก็คืออาจจะเป็นมุจางความรู้สึกที่ยังอยากจะทำอยู่เออใช่ใช่ก็เราคอยรู้ทันตัวเองจริงแล้ว ก, การเรียนวิปัสสนาคือการเรียนเพื่อจะรู้ทันเพื่อจะเข้าใจตัวเราเองนั่นเองแล้เราเข้าใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยแต่จะค่อยวางลงปล่อยวางมีความสุขการอาการเป็นไงเวลาอยากกินขนมรู้เปล่า ในพูดใส่ไมโครโฟนหน่อยเวลาโกรดนี่ก็จะรู้ว่าโกรธอย่างเช่นคิดไม่ดีก็จะว่าคิดไม่ดีแล้วมันก็พอคิดไปคิดมามันก็จะเผลอไปเลยก็จโอ้เก่งนะโกรธก็รู้ใช่ไหมไปคิดก็รู้เผลอก็รู้นี่รู้จักสภาวะหลายตัวแล้วการอายุเท่าไหร่1ิเอ็ดค่ะเออคนไหนบอกดูจิตยากถามเด็กสิบเอขวบได้นะน โ, โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนี่เผลอไปรู้ว่าเผลอไปนะ แอบไปคิดรู้ว่าไปคิดง่ายจะตายไปคิดมากก็ยากสิเด็กๆมันดูซื่อๆนะในคนโบราณแต่งกลอนไว้อันหนึ่งบอกอยากทำได้ถามหญิงต่าหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายเราไม่มีเด็กเลี้ยงควายเราถามเด็กสิบเวขวบเห็นตอบได้นะออพวกผู้ใหญ่โอ้ <c oughs> <c oughs> น่างสาร <c oughs> นารีเป็นไงนารี จนี้รู้สึกรุดได้ทีขึ้นกว่าดีดีมาวัดบ่อยขึ้นหน่อยทนทนนิดหนึ่งนะมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองคนเราแต่ละคนเนี่ยลงทุนให้ชีวิตตลอดเวลาเลยอย่างตอนเด็กๆลงทุนไปเรียนหนังสือทั้งสิบกว่าปีนะมันการให้ลงทุนให้กับชีวิตตัวเองอุตส่าห์ทํางานเหนื่อยยากแทบเป็นแทบตายก็เป็นการลงทุนให้ชีวิตตัวเองหวังว่าจะมีความสุขการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมก็คือการลงทุนตัวหนึ่ง แต่ลงทุนตัวนี้นะักําไรสุดๆเลยลงทุนตัวอื่นประเภทหาเช้ากินค่ําน่ะได้ความสุขมาประเดี๋ยวหนึ่งมันก็หนีไปอีกแล้วหอหมกเป็นไงหอาหมกหอบหมกก็กรยังฟังค่ะเออฟังมากๆนะ <c oughs> อะวันนี้แค่นี้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเหนื่อยออแต่มันเยอะขึ้ทุกวัน